นนะชื่อจางจื้อหรือจวงจือ้อเกิดเมื่อสัก2 3 0 0ปีที่แล้วใกล้ๆ ก, กับสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นปราชของลทัทธิเตานะ๋าซึ่งคำสอนใกล้เคียงพุทธศาสนามาก นันจางชื่อเคยเขียนเป็นคล้ายๆเป็นเรื่องเล่านะหรืออุปมาอุปไม่ว่าถ้าเกิดชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังพายเรืออยู่แล้วจู่ๆก็มีเรือเปล่าาตรงเข้ามาแล้วก็ชนแม้ว่าชายคนนั้นเนี่ยนะ จะเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่ามีโทสะแต่ถ้าโดนเรือเปล่ามาชนก็ก็คงจะไม่พูดอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเรือลำนั้นเนี่ยเรือที่พุ่งมาชนเนี่ยมีคนพายอยู่ก็คงจะตะโกนตะโกนว่าอย่าพึ่งอย่ามาชนอย่ามาชนหรือถ้าเรือลำนั้นมาชนตัวเองก็คงจะด่านะ ด่าเสี ย, สย ห, หายอาจารย์จือ้อเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสอนใจเราว่าให้ทำตัวเนี่ยเหมือนเป็นเรือเปล่านะเมื่อเป็นเรือเปล่านี่จะ ก, กระทบกระทั่งกับใครก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเหมือนกับชายที่พายเรือก็โดนเรือเปล่าชนก็ไม่ได้โวยวายอะไร นะกับเรือลํานั้นเรือเปล่าในที่นี้เนี่ยก็ก็คล้ายๆกับความไม่มีตัวตนนะอาจารย์จือสอนว่าให้เราเนี่ยทำตนเหมือนเป็นเรือเปล่าก็คือไม่มีตัวตนที่จริงเนี่ยนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว การทำตนเหมือนเลือเปล่าก็คือการที่ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นในความคิดว่ามีตัวตนนะอันนี้ถ้าพูดเต็มยศกว้างแบบนี้แหละเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกนะแต่เป็นเพราะเราไปยึดว่ามีตัวตนเนะี่ยอันนี้จึงเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาใครมาต่อว่าดาทอหรือตีฉินนินทา คนส่วนใหญ่ก็โกรธนะเพราะรู้สึกว่ากูกาลังถูกดานะ่าความรู้สึกว่ากูเนี่ยมันเกิดขึ้นนะและพอยกตัวกูขึ้นมานะกระทบกับคำดา่ามันก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเกิดความโกรธนะเวลาราโกรธเนี่ย เมื่อได้ยินคำดา่าคำวิพากวิจารติฉินนินทานเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นเพราะคำดา่าหรือคำพูดของเขานะไอตัวการสำคัญก็คือการที่ไปชูตัวกูขึ้นมานะหรือไปเกิดความสำคัญมั่นหมายว่ากูถูกดา่ากูถูกดา่าแต่ที่จริงถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองสักหน่อยว่า แทนที่จะไปจมอยู่กับความคิดหรือความสำคัญบ้าหมายว่ากูถูกดา่ากูถูกว่าลองเปลี่ยนไปมองว่าเออที่เขาพูดมานี่มันจริงไหมนะตรงนี้เนี่ยไอความโกรธมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ชูตัวกูขึ้นมารับคำดา่านะตอนนั้นใจเนี่ยมันไปอยู่กับการค้นหาใครโครวนว่า ที่เขาพูดนี้จริงไหมอันนี้ก็เลยเป็นท่าทีแห่งปัญญาหรือผูอยานก็คือว่าเป็นการเอาปัญญาขึ้นออกรับเอาปัญญาออกหน้าไม่ใช่เอาอัตตาออกหน้าถ้าเราเอาออตาออกหน้าเนี่ยนะมันก็ก็จะจ้องเจอสิ่งที่มากระทบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคำพูดที่ไม่ถูกใจ หรือการกระทําที่ไม่ถูกใจนะมันเหมือนกับว่า เ, าเวลามีใครคว่างก้อนหินใส่เราคนฉลาดก็จะหลบนะแต่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะเอาหน้ารับเอาตัวรับเกิดอะไรขึ้นนะก็เจ็บเนะมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาตัวกูนี่ออกหน้านี่มันก็จะเป็นทุกข์เจ็บปวด เวลามีใครพูดกระทบที่จริงไม่ต้องดาว่าหรือติชินินทาแค่พูดไม่ไพเราะนะก็ทุกข์ละหาว่าเขาไม่เคารพเราก็คือเขาไม่เคารพกูนั่นแหล ะ, ะทุกครั้งที่มีความทุกข์ใจก็เพราะมันมีตัวกูขึ้นมา จริงบางทีเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะเพียงแต่เขาอาจจะมีการกระทำบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราหรือว่าไม่ให้ความสำคัญกับเรามีเพื่อนคนหนึ่งเข้าไป <c oughs> ไปเที่ยวที่ตลาดทองเตยก็มีแผงผลไม้นะวางอยู่ติดติดกันเยอะแยะเลย <c oughs> เขาก็ไปดูผลไม้นะ เดินตั้งแต่แผงแรกแล้วก็สอบถามราคาดูผ ล, ลไม้ดูมะม่วงไปจนถึงแผงสุดท้ายก็คงไปสอบสอบถามราคานะเสร็จแล้วกลับมาที่แผงแรกใหม่แล้วก็เลือกนะมะม่วงเลือกมาได้จํานวนหนึ่งก็ก็จะจ่ายเงินพ่อค้าบอกว่า ไปดูแผงอื่นแบบนี้ว้วไม่ขายให้นะพ่อค้าไม่ยอมขายเพราะไม่พอใจที่ตอนแรกเนี่ยเดินผ่านแผงเขานะอันนี้เป็นพ่ออะไรพ่ออำนาจของตัวกูนะตัวกูมันต้องการได้รับความสนใจได้รับความสำคัญนะพ่อค้านี่เห็นลูกค้านี่เดินผ่านไปไปถามแผงอื่นนะ ก็เกิดความไม่พอใจไม่พอใจก็เลยตอบโต้ด้วยการไม่ขายให้ <S <S ใหการไม่ขายของให้ลูกค้านี่มันโง่หรือฉลาดนะ <S 1> <S 1> คนเราเป็นพ่อค้าก็เพื่อจะขายของน ะ, นะแต่ว่าเหตุผลที่ไม่ขายให้กับลูกค้านะเป็นเพราะว่าเขาไม่ให้ความสาคัญของเราให้ความสำคัญกับเราตั้งแต่ทีแรก อันนี้ก็เป็นพราะตัวกูนะตัวกูเนี่ยมันมันต้องการได้รับความสําคัญมากเดี๋ยวว่าแต่ต่อว่าดาทอเลยนะอ่าแค่ไม่ชมนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องแล้วเป็นทุกข์แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยโพสต์รูปโพสต์ข้อความอะไรขึ้นไปทาง facebook แล้วไม่มีคนกดไลค์เลยเพราะเพื่อนนี่ไม่กดไลค์นี่อันนี้ก็เป็นโกรธแล้วนะ ถ้าไม่โกรธก็น้อยใจหรือว่ากังวลว่า เ, เราทำอะไรผิดหรือเปล่านะแต่ก่อนเขา ก, กดไลค์เดี๋ยวนี้ก็ไม่กดแล้วเนี่ยทุกง่ายมาหเลยคนสมัยนี้เพราะว่าตัวกูนี่มันมันมันใหญ่นะมันยึดมั่นในตัวกูมากมันเพราะนี่ยไม่น่าแปลกใจนะเวลาเราได้ข่าวว่าวัยรุ่นนะฆ่ากันเพียงเพราะว่า มองหน้ากันแค่ น, นั้นเพียงแค่มองหน้ากั น, นหรือว่ากดแตะหรือว่าปาดหน้าขับรถปาดหน้าแค่นี้แหละนะมันก็เป็นเรื่องได้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าความส่วตัวกูเนี่ยถูกกระทบคือส่วนตกูถูกเหย็ดยาม ให้ความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยนะหรือความยึ่งใหญในตัวกูนี่มันมันเป็นที่มาของความทุกข์ของคนทั้งหลายนะนอกจากตัวเองทุกข์แล้วก็ไปสร้างความทุกข์แก่คนอื่นนะคนบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความสําคัญหรือว่าไม่มีตัวตนอยู่ในสายตาของคนอื่น คนเหล่านี้จะมีความทุกข์มากนะแลวบางทีเนี่ยก็ต้องการเรียกร้องความสนใจวิธีเรียกร้องความสนใจของคนประเภทเนี้ก็คือไปฆ่าคนดังนะอย่างฆาตกรที่ฆ่าจอร์แดนนอนเนี่ยชัดแมนเนี่ยเมื่อสามสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดชังอะไจอร์เลนนอนนะเป็นแฟนจอร์แดนนอนเลยซ้ำการเพลงนะันนะแล้วก็ให้สารภาพเขารับสารภาพตอนที่ ตำรวจจับเขาได้บอกว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ฆ่าจอเลนนอนเขาคงจะก็คงไม่มีใครรู้จักเขานะฆ่าจอเลนนอนเพราะาอยากให้คนรู้จักเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆว่าไม่มีคนสนใจนะเรียนหนังสือก็เรียนไม่เก่งจบมาก็ทํางาน ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเงินเดือนก็น้อยมีแฟนก็ประสบความล้มเหลวนะคือทาอะไรเนี่ยจับอะไรก็ตามนี่มันล้มเหลวไปหมดเลยเขาเคยคิดฆ่าตัวตายนะเพราะรู้ว่าอยู่ไม่อยู่ไม่ไหวแล้วไม่มีตัวตนอยู่ในสายตาของคนอื่นเนี่ยมันก็ทนไม่ไหวแต่ขนาดจะฆ่าตัวตายก็ยังล้มเหลวเลยนะฆ่าไม่สำเร็จ เมื่อฆ่าตัวเมื่อฆ่าตัวตายไม่สําเร็จก็ไปฆ่าคนดังก็แล้วกันนะปรากฏว่าได้ดังสมใจนะอันนี้เพราะตัวกูนะตัวกูแท้ๆเลยธรรมชาติของตัวกูอย่างนี้คือต้องการได้รับความสนใจนะอั้นทำได้ความสนใจเนี่ยคือเป็นโนบอดี้นะหลายคนคิดว่าตายดีกว่าถ้าเป็นโนบอดี้เมื่อไหร่ตายดีกว่า ความตายไม่น่ากลัวเท่ากันไม่มีตัวตนในสายตาของคนรอบข้างแต่ถ้าฆ่าตัวตายไม่ได้ก็ไปฆ่าคนอื่นแทนเมื่อสักกว่าปีก่อนมันมีการจับฆาตกรต่อเนื่องนะฆาตกรต่อเนื่องคือคนทจะไปฆ่าคนเนี่ยหลายศพนะจับได้เนี่ยเขาก็บอกเลยนะให้สัมภาษณ์สีพิมพ์ว่าเนี้ยจะต้องให้ผมฆ่าอีกกี่ศพนะ นังสือพิมพดึงจะสนใจพบทว่าเนี่ยต้องฆ่าคนึหกคนนะถึงจะเป็นข่าวในนังสือพิมพเนี่ยน่ากลัวมากนะไอ้ไอ้ตัวกูเนี่ยนะมันไม่เพียงแต่ทำให้คนเราทุกข์นะแต่ยังทำให้คนอื่นทุกข์ด้ว ย, เ, ยเพราะว่าไอ้ความโกรธความเลื้อต่ำใจเนี่ยมันก็สามารถจะผลักดันให้ ไอ้ตัวกูนี่แหละนะไปทำร้ายคนอื่นได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าตัวกูไม่มีอยู่จริงนะอันนี้พูดแบบนี้คนก็รู้สึกเข้าใจยากแล้วก็ไม่ยอมรับไม่ยอมเข้าใจง่ายๆตมาเคยไปจำพรรษาที่ประเทศอังกฤษนะเมื่อประมาณปีสามสีนะ่อยู่วัดอมรว ด, ดีของหลวงพ่อซุเมโทโ ก็มีฝรั่งเนี่ยไปลูกศิษย์เยอะเวลาไปบินทบาตเนี่ยก็ไม่ได้บินธบาตแบบเมืองไทยนะคือเราไปอยู่หน้าบ้านรอรับบาทรอรับบินธบาตแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเราก็าไปฉันน้าร้อนน้ําชานะคุยกับเจ้าของบ้านวันหนึ่งก็สักสองสามคนแค่นั้นแหละสองสาบ้านเขานิ้งหมนให้ฉันน้าร้อนน้าชาแล้วเขาก็ถวาย พวกบิสกิจสแน็คเนีนะ่ยหรือผักผลไม้นะแล้วขับรถไปส่งที่วัดนะแต่ขาไปนี่เดินไปนะเดินไปก็คุยกับฝรั่งคนหนึ่งนะเธอก็สอใจพทธศาสนานะเธอก็บอกว่าเนี่ยคำสอนพทธศาสนาเรื่องไตลักษ์เนี่ยอันนี้จังทุกครั้งเนี่ยเข้าใจได้ยอมรับได้ แต่เรื่องอนัตตานี่เข้าใจยากแล้วก็ยอมรับยากเพราะฝรั่งเนี่ยเขายึดนะในเรื่องตัวกูมากเขาเชื่อมันมีตัวกูแต่ พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าตัวกูไม่มีจริงนี่ก็ต่อต้านทีเดียวนะทำไมตัวกูไม่มีจริงนะตัวกูไม่มีจริงก็หมายความว่ามันไม่มีตัวตนอะไรที่ทเที่ยงแท้ถาวร ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีโดยตัวมันเองนะแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเช่นต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้มันขึ้นได้มันงอกได้เนี่ยก็เพราะว่าอากาศอุณหภูมินะแล้วก็ดินปุ๋ยนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ต้นไม้มันก็ไม่เกิดขึ้นรถเนี่ยนะมัน เป็นรูปเป็นร่างได้เพราะมีองค์ประกอบส่วนประกอบมากมายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหมือนชิ้นนะไอ้รถยนต์เนี่ยส่วนประกอบเป็นเหมือนชิ้นถ้าเราถอดเอาส่วนประกอบทีละอย่างทีละอยา่ยางออกไปจนหมดนะก็ไม่เหลือเลยตัวรถก็หายไปเลยร่างกายเราก็เหมือนกันนะมันก็ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆเขาเรียอกอวัยวะสาสิบสองหรืออาการสายสิบสามสิบสอง สมองหัวใจปอดตับไต ม, ม้ามเลือดนะน้ำเหลืองถ้าเอาแต่ละอย่างออกไปนะมันก็ไม่มีร่างกายนัยงที่บอกว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนนะเวลาเราเราชี้นะว่าตรงไหนเป็นตัวเราเนี่ยนะเวลาเอามือจิ้มหรือเอามือชี้นะว่าตรงไหนคือตัวเราเช่นมาชี้ตรงนี้นะ อันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่นะอกนะชี้ตรงนี้เนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ตัวเรานะนี่มันหัวนะนะชี้ตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่นะนี่มันแขนนะคือชี้ตรงไหนเนี่ยมันไม่เจอตัวเราทั้งอย่างมันมีแต่เจอหัวเจอแขนเจออ่าปากเจออกนะและหัวเนี่ยถ้าชี้ไปนะมันก็จะไม่เจอหัวแต่ไปเจอขมับบ้างไปเจอคิ้วบ้งไปเจอแก้มบ้ง คือเรียกผูย้ยันคือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นสมมตินะเป็นสมมติที่ใช้เรียกสิ่งสิ่งที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆพูดง่ายๆก่า น, นั้นเนี่ยไอ้เนี่ ย, ยถ้าเรากำอย่างนี้นะเราก็เรียกว่ากำปั้นนะแต่ถามว่ากำปั้นมีจริงไหมตัวกำปั้นอนะ่ะตัวตนกำปั้นเนี่ยนะพอคลายมือหรือแบมือเนี่ยตัวกำปั้นก็หายไปแล้ว ส ovan, แสดงว่าแสดงว่ากำปั้นไม่มีจริงกำปั้นนี่เป็นแค่สมมุติเป็นคำสมมุติที่ใช้เรียกมือท <üyorsun> ี่ลวกเข้าหากันมือหรือนิ้วที่ร่วงหากันแล้วแล้วกำปั้นน่ะกำปั้นคือเป็นคำสมมุติที่ใช้เรียกอาการของนิ้วและมือที่ร่วงเข้าหากันแต่ตัวตนกำปั้นไม่มีจริงพอมือเนี่ยหรือนิ้วมันแบออกเนี่ยนะไปแล้วกำปั้นหายไปแล้วถ้าตัวตนของกำปั้นมีจริงมันก็ต้องคงอยู่เที่ยงแท้ถาวร อันหนึ่งที่สังเกตได้นะตัวเราหรือตัวกูเนี่ยนะถ้ามันมีถ้ามันมีตัวตวนจริงๆนะมีตัวกูมีตัวเราจริงนะมันก็ต้องคงที่แต่เราสังเกตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเวลาเราเจอพ่อแม่เราก็เกิดความสำคัญว่าเราเป็นลูกนะกูเป็นลูกแต่เวลาเจอลูกก็เกิดความสำคัญมาหมายว่ากูเป็นพ่อแม่เวลาเจออาจารย์ เจอครูที่สอนมาตั้งแต่เล็กเราก็เกิดความสำคัญมากมาว่าเราเป็นลูกศิษย์แต่พอเราเจอลูกศิษย์นะที่สอนมาเราก็เกิดความสำคัญมากมาว่าเป็นอาจารย์คือตัวกูเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีลักษณะนิสัยไปคนละแบบนะเช่นถ้า มีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์นะอยู่ต่อหน้าอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติกับอาจารย์เราก็พูดด้วยความเคารพบ น, บนอบน้อมนะแต่พอเราไปเจอลูกศิษย์เนี่ยเราเป็นอาจารย์ขึ้นมาการพูดของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะอาจจะพูดแบบไม่ค่อยมีน้ำเสียงพูดแบบดุดุนะคนที่เจอเจ้านายนะจะเป็นประหลัดกระทรวง ร, รัฐมนตรีเนี่ยก็จะพูดแบบพี่นอพิ่เทาเพราะลูกสากูเนี่ยเป็นลูกน้องนะแต่ว่าพอไปเจอลูกน้องไอเราเป็นที่ปนระดีเจอลูกน้องนะก็จะพูดกับลูกน้องอีกแบบหนึ่งคาแรคเตอร์ Character, หรือลักษณะนิสัยจะเปลี่ยนไปเลยไอตอนที่เกิดความสองคำสองคำไม่หมาย ก, กูเป็นลูกน้องนี่เราก็จะพูดจาแบบ เรียบร้อยพี่หนอดพี่เ่ากับเจ้านายแต่พอเจอลูกน้องพอสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นเจ้านายเราก็จะนะก็จะกระโชกหอกหากบ้างนะนะลักษณะ น, นิสัยเปลี่ยนไปเลยเมื่อตัวกูหรือความสําคัญเมื่อหมายว่าตัวกูมันเปลี่ยนไปนะมีนายฐานคนหนึ่งนะ ตอนที่อายุประมาณสี่สิบเนี่ยนะมีชื่อมากเพราะว่าเป็นคนที่เรียกว่าไม่กลัวตายนะแล้วก็ทำอะไรแผลงๆตอนที่ได้ข่าวว่าคนนั้นทหารคนนั้นคนนี้ฆ่าตัวตายแกก็ไม่เข้าใจนะแกถึงกับพูดว่าเนี่ยไอ้คนฆ่าตัวตายนี่มันไม่ใช่ใ ช, ชายชาติทหารนะแต่แล้วผ่านไปสิบยี่สิบปี ตัวเองเป็นมะเร็งมะเร็งก็เป็นมะเร็งที่รักษาได้ยากหลังจากที่เป็นมะเร็งมาห้าหกปีวันหนึ่งก็พบว่าแกนอนตายอยู่ในห้องน้ำรู้สึกมีก็มีรูกระกสุนอยู่ตรงขมับทีแรกคนนึก ว, ว่าแกโดนฆ่านะแต่หลังจากที่สำรวจดูแลพบ ก, ก็ว่าแกฆ่าตัวตาย ทีละคนไม่เชื่อนะออแกเคยพูดไปเหนือว่าคนที่ค่าตัวตายไม่ใช่ใชายชาติทหารแล้วแกมาค่าตัวตายได้ยังไงออตอนนั้นแกไม่ได้เป็นชายชาติทหารเลยนะตอนนั้นแกไม่ได้สำคัญมากมาว่าแกเป็นทหารแล้วตอนนั้นแกเกิดความสำคัญมากมาว่ากูเป็นคนป่วยนะไอตอนที่มีความสำคัญมากมาว่ากูเป็นทหารเนี่ยมันก็จะมีค่านนิยมนิสัยแบบหนึง่ง แต่ว่าตัวกูเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีจริงเนี่ยมันเป็นสมมติมันก็แปลเปลี่ยนไปเรื่อยวันหนึ่งก็คิดว่าหรือรู้สึกว่าตัวกูเป็นคนป่วยมันทรมานมากนะมะเร็งเนี่ยนะทรมานมากก็อย่ากันนั่นเลยตายดีกว่าเนะก็ปืนยิงตัวเองตายนะคนเราเนี่ยนะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ย ส่วนในพราะความสําคัญมันหมายตัวกูเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยแสดงว่ามันไม่มีตัวตนที่ทแท่งแท้มันไม่ใช่ตัวตนที่ทแท่งแท้มันเป็นแค่สมมติหรือสิ่งปรุงแต่งขึ้นมานะีอันนี้คือสิ่งที่อพวกเราชาวพุทธนี่ต้องทําความเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นที่มาของความทุกขนะ์ในความสําคัญยึดมั่น ในตัวในตัวกูหรือความสำคัญยึดมาว่ามีอัตตาซึ่งทางพราเลว่าอัตตาทุปาทานเนี่ยนะการปฏิบัติในทางพุศาสนาก็เพื่อเชื่อททำให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกนะทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตนตาดใดที่ยังมีความสำคัญมั่นหมายในตัวตนในตัวกูเนี่ยมันก็หนีทุกข์ไม่พ้นนะก็เรียกว่า จะต้องอยู่ในอำนาจของมารอยู่ไปเรื่อยๆนะมารเนี่ยนะมันจะคอยมันจะคอยในพระไตปรปิฎกมันจะคอยไปหลอกล่อนะแล้วหลอกล่อคนที่ยังมีความสําคัญบ้านหมายว่ามีตัวกูอยู่มีคราวหนึ่งมานี่นะมันก็ไปหลอกล่อพิษุดีท่านหนึ่งนะซึ่งท่านก็ทําความเพียร ทจริงท่านก็ทําความเพียนจนบรรลุแล้วนะแต่ว่าท่านก็ยังทําความเพียนให้เป็นไปเป็นแบบอย่าง อ, อนุชนมานี่ก็ไปคล้ายๆว่าไปล่อลอกไปไปพูดดูถูกนะบอกว่าเนี่ยท่านเป็นผู้หญิงปัญญาแค่สองนิ้วทําความเพียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกคือไม่มีทางบรรลุธรรมพิสุนธิท่านนั้นก็ตอบว่าเมื่อเห็นแจ้งในธรรมนะ ความเป็นหญิงจะทำอะไรเราได้คนที่ยังสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นหญิงเป็นชายสำคัญมากว่าเป็นเราเนี่ยท่านจงไปกล่าวกับคนเหล่านั้นเถอะก็คือไปหลอกไปล่อคนเหล่านั้นเถอะจะมาจะมาดุ่งกับเราเพราะว่าพิสุนีท่านนี้ท่านพ้นจากความเป็นหญิงเป็นชายแล้วคือไม่มีความสำคัญมากว่าเราเป็นหญิงเป็นชายไอ้ความเป็นหญิงเป็นชายนี่มันสมมตินะ เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนนี่ก็สมมุตินะจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ว่างเปล่าจากตัวตนนะคำว่าว่างเปล่านะเราคงได้ยินบ่อยสวดมนก็ก็สวด น, นะถึงคำว่าศูนโยเนี่ยหรือว่าความว่างเปล่าจาก ต, ตัวตนก็หลายครั้ง ูนโยเนี่ยนะ เ, เวลาเราพิจารณาทาตุปัจเวกเนี่ยมันจะมีคำเนี่ยศูนย์โยศูนย์ก็คือว่างเปล่า ว, ว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากตัวตนนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะจับต้องก็แตะได้นะอย่างเสาเนี่ยมันก็ว่างเปล่านะแต่ว่างเปล่าคือมันไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่าข้างในเนี่ยมันว่างกลวงเหมือนกับไม้ไผ่นะไม่ใช่ ข้างในมันก็ตันนะแต่ว่าแกนแทของมันเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีตัวตนหรือว่าบางป่าจักตัวตนสิ่งที่เรียกว่าสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยมันก็เป็นสมมุตินะพอจริงๆแล้วมันก็มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชีวิตคนเราแต่ละคนเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่บุคคลนะมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ ในกรในขออันนั้นมาสมมุตินะแต่ว่าพื้นฐานจริงก็มีแค่เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งแต่ละอย่างก็ไม่มีตัวตนนะอันนี้คือความจริงที่มันต้องผ่านจากการปฏิบัตินะแต่ว่าเราก็ฝึกได้นะเวลาเราจะฝึกเนี่ยเออเราก็รู้ว่าตัวตนมันไม่ดีความยึดในตัวกูไม่ดีนะมันทำให้เกิดความทุกข์ไม่ว่า เกี่ยวข้องกับใครหรือว่าเวลาทำงานทําการนะแม้แต่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าไม่รู้เท่าทันตัวตนหรือตัวกูนะมันก็เกิดเรื่องนะในสา พ, พุทธการเนี่ยมีคราวหนึ่งพระสายฤาษิบุตรเนี่ยจะไปจาริกอย่างที่ไกลก็มีพระเนี่ยมายืนรอเป็นแถวเพื่อส่งท่าน แถวยาวทีเดียวนะเพราะว่าเป็นสิทธิ์พระไสหบุรพระาริบุ ร, รบท่านก็เป็นพระที่สูาพามันท่านก็ทักทายทักทายแต่ละรูปแต่ละท่านถามชื่อถามโคดแต่บังเอิญไปไม่ได้ทักพระรูปหนึ่งพระรูปนั้นโกรธเลยนะว่าพระสาสหบุดไม่ทักท่านหาเรื่องเล่นงานบังเอิญในพระารหลุดเนี่ยจีวรท่านเนี่ย ชายจีวอนเนี่ยไปโดนตัวภาพรูปนี้พาพรูปนี้เลยหาทางกันแกล้งฟ้องว่าพระเสบุตรทําร้ายเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่ได้รับความสําคัญหรือคิดว่าเนี่ยพระเสบุตรเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกับตัวตัวเองก็คือไม่ให้ความสําคัญกับตัวกูนั่นแหละอันนี้เขา ค, คล้ายๆกับพ่อค้าที่ไม่ขายมะม่วงให้ ให้ลูกค้าเนี่ยนะเพราะว่าเมินเฉยหรือไม่ให้ความสําคัญกับตัวเองแต่ น, นี้ไม่ใช่พ่อค้านะพ่อค้านี่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแต่เนี่ยนะเป็นเป็นพระนะอยู่กใกล้เชิพผู้เจ้าฟังธรรมจากผู้เจ้าเนี่ยนะก็ยังไม่เห็นนะก็ยังไม่รู้เท่าทันไอ้อานาจของตัวกูหาเรื่องฟ้องพระใส่เลยบุตรนะกลายเป็นอธิกรเลยนะต่อหน้า พ, พระพุทธองค์ แต่สุดท้ายก็ตัวเองก็ยอมรับผิดว่าเนี่ยไปกั่นแกล้งภาษาลิบุตรเนี่ยนี่เป็นนี้เป็นอุทาหรณ์นะแม้กระทั่งคนที่มาปฏิบัตินะใกล้เช่าพู้เจ้าเนี่ยก็ยังละเลยเพิกเฉยนะไม่ตระหนักนะว่าไอ้ความยึดมั่นในตัวกูนี่มันมันร้ายนะหลายคนที่อยู่วัดเนี่ยตัวกูก็เยอะนะนะถูกกระทบกระแทกนะ หรือว่าไม่ได้รับความสาคัญก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมานะสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยคือการหาทางจัดการนะจัดการในที่นี้ไม่ใช่ไปไปกดข่มตัวกูนะแต่ว่าให้รู้เท่าทันนะรู้เท่าทันด้วยสตินะเวลามันเวลาตัวกูมันชูคอขึ้นมาเพราะว่ามีอะไรมากระทบอ้าวก็รู้ทั น, นว่านี่เรากำลังโกรธแล้วนะนะหรือว่า มีใครชมเห็นความยินดีนะก็รู้ว่ามันเป็นแค่ความยินดีนะไม่ยึดว่าเป็นเรามีอะไรเกิดขึ้นกับกับใจไม่ว่าฟูห ร, รือแฟบดีหรือร้ายก็ให้รวมมันเป็นแค่อาการไม่ใช่ไม่ยึดว่าเป็นเรามีความกโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธนะไม่ยึดว่ามันเป็นเราโกรธหรือว่าความโกรธเป็นของเรา คนเราถ้า ม, มีสตินะเวลาคิดเนี่ยมันก็ไปคิดไปสําคัญบ้าหมายว่ากูคิดนะเวลากโกรธก็ไปสําคัญบ้าหมายว่ากูโกรธเวลาดีใจก็สําคัญบ้าหมายว่ากูดีใจนะอันนี้พราะไม่มีสตินะแต่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการหรือการถอนก็คือไม่ยึดว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเราเป็นของเรามีความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธนะ แต่ไม่มีผู้โกรธมีความดีใจก็เห็นความดีใจแต่ไม่มีผู้ดีใจมีความเครียดก็เห็นความเครียดเกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้เครียดทุกอย่างมันเป็นศัก์แต่ว่าอาการนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เป็นวิธีการนะที่ช่วยลดความยึดมั่นในตัวกูได้นะเวลาเจริญสติเนี่ยเดินเนี่ยมันก็จะเห็นนะว่าหรือรู้สึกว่ามันเป็นรูปที่เดินนะไม่ใช่เราเดินนะ เวลาคิดเนี่ยมันก็เป็นนามคิดนะไม่ใช่เราคิดคือถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวนะทาอะไรเนี่ยมันก็จะไปยึดเป็นกูหมดนะตัวกูเป็นเจ้าของการกระทำทุกอย่างไม่ว่ารูปธรรมหรือนามมาทำนะแต่ถ้ามีสติมีความรู้ตัวนะมันก็จะถอนไอความยึดในตัวกูทุกอย่างก็เป็นกายกับใจที่ทำมันเป็นอาการของรูปและนามนะไม่ใช่เรา มันเป็นการมองทะลุไอตัวกูไปเห็นรูปนามเรียวเป็นเอ็กซ r a y ก็ได้นะเอ็กซาเลเอ็กซมันทำให้เห็นข้างในที่เป็นของจริงเสื้อผ้าเนี่ยคนจะใส่เสื้อผ้านะจะจะแต่งตัวเป็นไทยเป็นลาวเป็นเขมรเป็นฝรั่งเนี่ยแต่พอเอ็กซาะลเนี่ยนะไอเสื้อผ้าที่บอกความเป็นชาติโน้นชาตินี่มันหายไปหมดเลยนะ มันเหลือแต่อวัยวะเรื่องร่างกายซึ่งแทบจะเหมือนกันทุกๆคนไอ้ความเป็นนายกรนายขอเนี่ยนะถ้าหากว่ามีสตินะมันจะทะลุไอ้ความเป็นนายกรนายขอมันจะเห็นแต่รูปกับนามกายกับใจหรือว่าเห็นเป็นขันห้านะการเจริญสติเนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถเห็นทะลุไอ้ตัวสมมตินะไปเห็นความจริงนะกายกับใจรูปกับนามพ้นจากความ เป็นตัวกูเนี่ยการเจริญสติีมสำคัญมากนะที่ช่วยไถ่ายถอนในความยึดมั่นหรือคลายความยึดมั่นในตัวกูได้แล้วถ้ายึดมั่นในตัวกูน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีความสุขความเบ า, าสบายอยู่กับใครก็สงบเย็นนะไม่รุ่มร้อนเอาคำนี้พูดกับท่นนี้นะกราบพระ